9ตุทุพร ม, มสูตรว่าด้วยตุทุปเจ ก, กัพรมร8 0ปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นโกกาลิกาภิกษุอาพาธได้รับทุกเป็นไข่หนักครั้นเมื่อราตรีผ่านไปตุทุปเจกัพรมมีวันนังดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปหา โกกาลิกะภิกษุจนถึงที่อยู่ยืนอยู่กลางอากาศได้กล่าวกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าท่านโกกาลิกะท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเถิดพระท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกะภิกษุถามว่าผู้มีอายุ ท่านเป็นใครตุทุปัจเจกพรหมตอบว่าเราเป็นตุทุปัจเจกพรหมโกกาลิกะภิกษุกราวว่าผู้มีอายุท่านได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นอนาคามีแล้วมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงมาที่นี่อีกท่านจงเห็นว่าความผิดนี้ของท่านมีอยู่เถิด ตูทูปเจกพรรมได้กล่าวว่าพลุสวาจาเป็นเหมือนพึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษผู้ใดสารเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสารเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้น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 กับอีกห้าอับพุทธกับตุทุรภมาสูที่เก้าจบ